Jag Ja. No. Många. จงผวาระดิถีขึ้นปีใหม่เคยทุก ได้รอดพ้นกิเลสภัยนิรันดรการสวัสดีปีใหม่ ที่โกรธกันพลันกลับใจได้ เป็นวาระสมัยที่คนเราจะได้มีโอกาสทบทวนความ พรเป็นสิ่งที่ต้องทําเอาเองต้องประพฤติ คือบ่อช่วยให้รอดและปลอดภัยแห่งคุณความดีความดีเป็นสิ่งที่ทําชีวิตให้ อยู่ชั่วกาละปาวสานฉะนั้นการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ที่ทําแล้วถูกต้อง ผู้หมู่โง่คือ มักพูดเรื่องนั้นออกไปมากกว่าผู้ ผู้สําคัญว่านั่นคือผู้ผิดพลาดบกพร่องคนสำคัญยิ่งแท้ที่จริงคือจอม ผู้อกตัญญูจะได้รับผลกรรมในทันที ที่สิงโตเป็นหัวพยายามมองอะไรในแง่ดีแล้วจะมีความสุข คู่อื่นเพ่งตรงต่อเวลาเพราะ รักโลภหลงทําอะไรที่ควรตรงให้กลายเป็นเพื่อนคือ แล้วเพื่อนตายอาจเรียกได้ว่าญาติสนิทเพื่อนที่ เพื่อนชวนไปเลี้ยงควรไปช้าเพื่อนมีทุกข์มีปัญหาควรไปเร็วเพื่อนบ้านที่อยู่ อ่านนี้ได้กรรมที่ตนก็ไว้นั้น โดยไม่ได้ประสบการณ์มีที่กว้างสุดตาเพียงว่าใช้นอนมีเต็มห้องอาพรใช้เพียงชุดเดียว มีปัญญาคู่กับเมตตาเมื่อใดก็จะปลอดภัยเมื่อนั้นมือฉันครูจะทําศัตรูให้เป็นมิตรมือ ดังมันจึงมีพลังอำนาจเมื่อโกรธจะเสียสติไปชั่วขณะ เมื่อชอบใครเต็มที่เรามักลืมความเลวเมื่อได้รู้ว่าเสียง ตนมีประสบการณ์เพียงใดเมื่อทําดีลงไป สิ่งที่ควรทําคือแนะๆจะรู้ว่าอะไรแท้หรือมายาเมื่อ ก็จะยิ่งมีเสรีที่จะยังให้อภัยเมื่อ เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมถึงอยู่ เมื่อรับรู้และเข้าใจก็จะพูดและเขียน เมื่อสมหวังให้ระวังความคิดเมื่อพลาดผิดให้มานะอดทน ไม่มีใครห้ามความเกิดความตายจึง ไม่ว่าบ้านหรือป่าไม่ว่าดอนหรือลมผู้ ขอดขวาง ไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวแต่ใจ ไม่มีอะไรเกินเจ็บป่วยยอดของหัวหน้าคือ อย่าดีมีรถขมฉันใดคำพูด เพื่อนนั้นเรื่องง่ายนั้นเรื่องง่ายยามไร้ได้เพื่อนนั้นเรื่องเยี่ยมยาม ยิ่งรู้มากขึ้นเท่าใดก็จะๆก็ต้องสร้าง รวงข้าวเมล็ดดีจะอ่อนลูกผู้รู้ ทำให้เห็นความแตกต่างระยะห่างทําให้เห็นความคล้าย เพียงเพราะคนมักง่ายทิ้งลงในสิ่งปฏิกูล รู้น้อยแต่ปฏิบัติดีกว่ารู้สารพัดแต่เฉยรู้ผู้ เริ่มจากเล็กโดยไม่ท้อคือเครือญาติเกลียดกันเองเรื่องจริงพูดไม่ สุดควรจะเป็นงานเรื่องสำราญควรมาทีหลังเรื่อง เรายังเรายังไม่รู้แม้แต่เรื่องชีวิตปัจจุบันอภัยแก่แต่หลอกตัวเองได้ยากได้ทำไมจึงไม่ให้แก่มิตรเราเรา เรื่องยุ่งยากออกจากปากด้วยวาจาโรค เขาจะเล้าเล่นกับท่านที่ตลาดลม ลิ้น 3 นิ้วฟุต 3 ศอกมาแล้วมากมายลิ้นถึงอยู่ใน ยังสงสัยโลกบกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะ วัตถุทั้งหลายมีและมีคนร้ายเป็นทาสวาจาจากปากลูกธนูจากแหล่งโอกาสภาพแพลงกับการจะให้ผลมหาสาร ที่ได้เปล่งออกมาจากปากยากที่จะเรียกคืนวาจาที่หวาน วิธีขอพรจากเทวดาคือเอาหลัง แต่เพื่อทดลองแก้ไขส่วนที่ ต้มต LET ศักส และทำงานกับข้อดีนั้นผู้เผามองหาแต่ความเลวในคน เกิดมาชีวิตแดงงาม แต่พลังใจพิการหากพลังสมองต้องเข็นหาวิธีให้บรรลุจน มีแต่มองด้านที่เลวร้ายของผู้อื่นเท่า ฉไนไม่รู้จักแสวงหากำลังใจที่ดีเช่นผู้อื่น คงจะมีชนช้ําต่ําต้อยนานนับไม่ถ้วนจริงๆแล้วชีวิตหาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ในดงนี้มีเรื่องราวมากมายที่บันทึกไว้ในตําราและยังมีเรื่องราว กลับก่อนทําฉนไหนไม่ไตร่ โคยิ่งใหญ่ต่ําๆนี้ไม่ได้หมายถึงฐานะร่ํารวยหากหมายถึงจิตใจที่ร่ํารวยใช่จิตใจที่ร่ํารวยย่อมนํามาซึ่ง เป็นเพราะผู้อื่นคงคํานับให้หรือเป็นตัวเราคงคํานับเอาเองความจริง ไม่มีสุภาพไม่มีวันเกเรมนุษย์ต่างหากที่อุปโลก ไม่เคยมีว่าจะรักคนไทยเกลียดฝรั่งหรือชังเขกไม่ว่าเราจะส่งหรือไม่ส่งจะรับหรือไม่รับก็คงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามปกติปี ไม่ใช่ว่าปีเก่าเห็นพวกเราไมไม 365 วัน 365 คืน สลับสับเปลี่ยนเข้าคิวกันมาเรียบร้อยวันใครวันมันคืนใครคืนมันแต่จงเป็นห่วงตัว ใครจะฟ้องร้องอุทธรณ์ฎีกาหรือเดินขบวนเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงมา มีไว้มากๆแยะทุกคนถ้าเช่นนั้นคนใช้ 365 คน, ต่างแต่ในกระท่มยาจกจนกระทั่งในปราศาทรัชวักไม่ว่าในบ้านคนสามันหรือในบ้านคนยายตูคงมีวันคืนเรียงหน้ากันข่าไปรับใช้เท่ากันหมดไม่มีเคยได้มากได้น้อยเมื่อเขามาแล้วเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขาจะเลยผ่านเราไปอยากแน่นอนและสิ่งสําคั เราจะต้องจ่ายสิ่งที่เรารัก เราไม่ควรมีอะไรอะไรเท่าเก่าถ้ามีเท่าเก่าเราก็ไม่มีใหม่ปีคือการเวลาการเวลานั้นไม่มีเก่าไม่ใหม่ๆมันหมุนเร ผู้ทําให้มีฉะนั้นประโยชน์ของปีใหม่ได้แก่ประโยชน์ของผู้กอบประโยชน์เอง ซึ่งเป็นๆด้วยเหตุนี้ยามปีใหม่จึงอะไรๆที่ว่านั้นก็ๆที่ คล้องอยู่ในจิตใจให้ต้องเฝ้า เช้าหายืนเหขี้เมารุ่นเดิมและแม้กระทั่งเรียนชั้นเดิมขีดขั้นเดิมตำแหน่งเดิมเงินเดือนเท่าเดิมหรือเปล่าคือไม่ไปในทางที่ดีเช่นเก่าโง่ก็ใหม่ด้วยฉลาดเก่าเลว ก็ใหม่ซิด้วยมั่งมีคือคิดกลับตัวเสียด้วยความพยายามกลับจิตกลับ ปีใหม่อยู่ในระหว่างการสวัสดีปีใหม่ที่ส่งประสบสุขสนุกเพลินตลอดสุขความปรารถนาดีพี่ไหลลักมีเมตตา อนันตนอเนกโพธกชโลกภูรจะตรงตึกจะนิคคหานก็สมมาตมโนกูลอุดมพัทธ์พิบัติสูรเกษมสันนิรันดรนิราถทุกข์ประยุกธรรมกุศลกรรมรากรก่อนสถาพรสวัสดีอุดมเทินอัตตมภาพพระ<า> ตำบลจารพัดอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้อง